ปุภาภาคณมการธรรมยังพุทธาสะภะคะวะโตปุภาภาคณมการังการรมเสนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นอาราหาัตตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิลเลสสัมมาสัมพุทธสาตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า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 พระองค์นั้นอรหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง